เพื่อนฝังที่เคารพคะรายการ ส, นสนันีสนทนาเราก็ทําหน้าที่กันตามปกติเหมือนเมื่อกั้ที่เคยทํามานั่นแหละนะคะท่าจะว่าไปโดยกรอบแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันในเนื้อหาในรายละเอียดซึ่งบางครั้งก็อาจจะเป็นการที่เรานํามาพูดซ้ํำด้วยซ้ําเพราะว่าเรื่องของธรรมะนั้นไม่มีเก่าไม่มีล้าสมัยพูดเมื่อไหร่ก็ใช่เมื่อนั้น วันนี้เราไปกราบน้องส ก, การพระอาจารย์พบุรอภิปุรโ น, โนในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุ้ทวจนะกันต่อจากนี้ไปเลยนะคะเพื่อไปกราบสนทนาเอาคำถามต่างๆไปถามให้ท่านได้ยกผู้ทวจนะมาตอบพวกเรากราบน้องส ก, การ ค, ครับท่านคะเชิพานดิฉันพูดผิดไหมคะเนี่ยธรรมะนี่มีข้อไหนล้าสมัยบ้างไหมคะธรรมะเป็นของอากาลิโกเป็นของที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าล้าสมัยหรือไม่ล้าสมัยก็ไม่ใช่เลย คือเป็นของที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาเลยคือคือถ้าเราบอกว่าไม่ล้าสมัยใช่ไหมคือถ้าเราบอกว่าทันสมัยเนี่ยมันก็ก็ยังไม่ใช่เพราะว่ามันก็ไม่เกี่ยวข้องกับเวลาเลยล่ะว่างกันเถอะไม่เอาเรื่องเวลามาพูดไม่ได้ไม่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยใช่เป็นอมตะอย่างนั้นหรือไงคะหรอหรือยิ่งกว่าอมตะอีกเป็นของที่ไม่ว่าจะเวลาไหนเนี่ยก็ถูกต้องตรงจริงว่าอย่างนี้ดีกว่าไม่ว่าจะเวลาใดก็ถูกต้องตรงจริงไม่จํากัดการใช่ อันนี้หมายความว่าคือบางคนอาจจะเขา้าใจว่าเเป็นของทันสมัยอยู่ตลอด เ, เวลาคือถ้าเราใช้คําว่าทัานสมัยมามานิยามแล้วเนี่ยถ้าเราจับเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวเนี่ยนะมันก็จะเกี่ยวกับเวลาคือสมมุติถ้าเราจับปัจจุบันเนี่ยอดีตอนาคตต้องตามมาด้วยแน่ออทีนี้เราก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเวลาเลยพระเจ้าจึงบอกว่าเป็นของอากาลิโกเนี่ยไม่เกี่ยวข้องด้วยตามการเวลาเลยท่านคะก็เลยสงสัยอะคะ่ะถ้าเราไปพูดถึงว่า ปัจจุบันใช่ไหมคะเมื่อกี้พี่ท่านพูดใช่ก็จะต้องมีเรื่องอดีตอนาคตมาเกี่ยวด้วยอืมมาเกี่ยวแล้วมันไม่ดียังไงเราท้พูดถึงเ อ, อก็เป็นจริ ง, รงๆธรรมะเป็นของที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเวลาคือถ้าถ้ามีของเกี่ยวข้องด้วยเวลาเนี่ยสมมติถ้าเราอยู่ปัจจุบันใช่ไหมเราก็จึงจะมีความเสี่ยงว่าเออบางทีเราอาจจะหลุดไปในอดีตนะบางทีเราอาจจะหลุดไปอนาคตน ะ, ะเพราะว่าถ้าเราพูดถึงปัจจุบันปุ๊บเนี่ยไอ้อดีตอนาคตมันตามมาด้วยแน่นอนเพราะเพราะมันอยู่เส้นเวลาเดียวกันอืมค่ะ ะะทีนี้วันนี้เนี่ยทราบว่ามีผู้ฟังแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรครเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในธรรมซึ่งฟังท่านเปิบบูลเป็นครูสงสัยในเรื่องของที่ทันสมัย เ, เรื่องของซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์นี่เขาบอกว่าภาษาแบบไทยๆโดยไม่แน่ใจว่าของราชวัลย์ดิบมันยากหรือเปล่านะคะ <c oughs> ที่เรียกว่าเป็นละมุ น, มนพันละุนันใช่ไหม <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วถ้าจะอธิบายให้คนเข้าใจใ ง, ง่ายๆเนี่ย พอมีซอฟต์ปุ๊บมันมีฮาร์ดปั๊บไงนะซอฟต์แวร์อ่าท่านในฐานะที่เป็นวิศวกรกเกา<笑><笑>่าไหคะช่วยชี้แจงสําหรับท่านที่ฟังแล้วไม่เข้าใจคําว่ารมูบอันพ์เนี่ยเหรอหมายถึงว่าคำว่าซอฟต์แวร์นะคะอ๋อซอฟต์แวร์ก็เป็นโปรแกรมไง<ฆ>โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ก็ใช้รันในคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยมันสามารถทําอะไรได้คะท่านคะเอก็อย่างในคอมพิวเตอร์เนี่ยเราต้อง เ, เขียนโปรแกรมสำหรับพิมพ์งานใช่ไหมอันนี้ก็อย่างหนึ่งเราจะวาดรูปก็อย่างนึงอันนี้ก็จะเป็นใช้คนละซอฟต์แวร์คนละโปรแกรมละอเพราะฉะนั้นมันก็คื อ, อคืออย่าง<ข>อย่างเช่นบัคอนอย่างเงี้าจะตีตะปูใช่ไหม<ข>เลื่อยเนี่ยคอ่อยเลื่อยเลื่อยเลื่อยไม้เพราะฉะนั้นในคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยที่ ท, ที่เป็นอยู่ในคอมพิวเตอร์ไอ้พวกคอนพวกตะปูนี่เป็นฮาร์ดแวร์เป็นของแข็งที่เราจับต้องได้ แต่ถ้าเป็นซอฟต์แวร์มันก็เป็นพวกอุปกรณ์ที่ทํางานอยู่เนี้ยแต่มันอยู่ในคอมพิวเตอร์เช่นเราจะต้องการตัดรูปแต่งรูปนะก็ใช้ซอฟต์แวร์อันหนึ่งถ้าเราจะต้องการพิมพ์งานปิ้นงานก็ใช้ซอฟต์แวร์อันหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็คืออ่านะมันอธิบายยากจริงๆนะคะต้องอยู่ในฐานที่เข้าใจถ้าฟังอย่างที่ท่านพิบูล อ, อธิบายรวๆยมๆเช่นไม่พอจะเข้าใจนะคะว่าก็คือสิ่งที่เราใส่ข้อมูล เข้า <c oughs> ไปในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเขาจะแปลเป็นความสามารถในการปฏิบัติการดิฉันพูดอย่างนี้ได้ไหมคะก็ <c oughs> พอ ถ, ถ่ายได้คุณยมติว <c oughs> นะคะค่ะทีนี้เรื่องซอฟต์แวร์ของคุณครูท่านนี้ก็คือว่าในการที่จะทํางานหรือว่าของท่านก็ต้องเป็นงานสอนนะคะ <c oughs> แล้วก็ท่านเกี่ยวข้องก็ต้องเป็นพวกเด็กๆที่เรียนหนังสือก็จะต้องใช้ความสามารถของเจ้าละมุนพันซอฟต์แวร์หรือว่าข้อมูลที่ใส่เข้าไปแล้วสามารถจะปฏิ ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งได้อืเนี่ยแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีลิขสิทธิ์อืมทีนี้บางครั้งเนี่ยก็ไปดึงเอามาใช้กันได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ก็ได้อืมคําถามคืออย่างนี้ใช่ไหมคะว่าอย่างเงี้ยบาปหรือเปล่าใช่เป็นเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ไหม ค, คือคือการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นแน่ล่ะเพราะทางกฎหมายเขาไม่ได้อนุญาตใช่ไหมแต่นี้ถามว่าในทางคําสอนพระเจ้าจะเป็นยังไงสมมติเราไปซื้อซอฟต์แวร์เถื่อนมาใช้ หรือไปซื้อโปรแก ร, รมที่มันไม่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์มาใช้เราจะเราจะวางจิตยังไงหรือทํำยังไงอันนี้มันต้องเริ่มเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ก่อนคุณยมติวอย่างไอเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยนะมีนักแพทย์คนหนึ่งที่เขาทําวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนที่รักษาโรคโปลิโอแต่ถ้าใครไปเส a r c h ตามอินเทอร์เน็ตก็จะทราบอยู่เขาเคยบันทึกวิดีโออันหนึ่งเกี่ยวกับการงานวิจัยของเขาคือวัคซีนแก้โรคโปลิโอเนี่ยไม่ได้มีลิขสิทธิ์แต่เขาไปถามว่าทาไมคุณไม่จดลิขสิทธิ์เขาก็บอกว่าจริ ง, รงๆแล้ว ลิขสิทธิ์นี่มันไม่ได้มีนะคุณจะไปจดลิขสิทธิ์ในพระอาทิตย์ได้ไหมล่ะสมมติคุณตื่นมาเช้ามาคุณเห็นว่าที่คนแรกถึงบอกเอา้าฉันจดลิขสิทธิ์ในพระอาทิตย์นะคุณหันห้า ม, มองหรือคุณหันห้ามทำเลียนแบบแล้วมันไม่ได้เขามีความคิดอย่างนี้ว่าไอ้พวกยารักษาโรคอะไรต่งางๆเนี่ยเป็นของที่มีอยู่ตามธรรมชาติแล้วเราแค่ไปค้นพบมันมาซึ่งความเห็นตรงนี้คุณโยมติวสอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าบอกนะธรรมะของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้แม้จะมีตถาคตปรากฏขึ้นหรือไม่ก็ตามก็ยยังมมีอู่่แตเดิ มันไม่ใช่ของที่คุณไปนคิดค้นขึ้นมาคุณแค่ค้นพบเฉยดัะนั้นพระเจ้าจึงไม่ไดเ้เขาเรียกว่ารักษาลิขสิทธิ์ในคําสอนของพระองค์ใครจะเอาไปใช้ก็ได้ไม่มีปัญหาเพียงแต่พวกที่จะขโมยลักษณะของการขโมยทําเป็นยังไงก็คือเอาไปใช้แล้วก็บอกอันนี้เป็นของฉันอันนี้ไม่ถูกแต่ถ้าเราบอกว่าอันนี้เอาไปใช้นะเป็นของธรรมชาติสมนักคนโคดมเป็นคนคิดขึ้นมาเป็นคนค้นพบขึ้นเป็นคนแรก อ, อันนี้ก็คือถูกต้อง คืออ้างอิงถึงบุคคลที่คนพบเป็นคนแรกอันนี้ได้อยู่อันนี้สามารถทําได้คือไม่ได้เอาไปใส่ชื่อเร า, าเพราะฉะนั้นอย่างกรณีของเม็ดพันธุ์พืชก็เหมือนกันอันนี้การแตาก็มีประเด็นคือบางคนชาวนาชาวบ้านที่บ้านน้องตอาลไร่สองในคุณโยมดูเขาเขาทำนาทุกปีทุกปีเลยนะเขาก็จะเก็บพันธุ์พืชที่ดีๆของปีที่แล้วเอาไว้จํานวนหนึ่งไว้เป็นพันธุ์สําหรับทําเป็นในปีต่อไป แต่ถ้าเราต้องการจะผสมพันธุ์ดีๆขึ้นมาเนี่ย <ๆ S 1> เขาก็ลองทดสอบทดลองแล้วก็เก็บพันธุ์ดีๆนี้เอาไว้นะไอพันธุ์รุ่นต่อไปรุ่นต่อไปก็เก็บมาเป็นหมื่นหมื่นปีเนี่ยก็เก็บเมล็ดพันธุ์พืชต่ตอๆไปเท่านั้นเองเดีวนะไม่ได้มีลิขสิทธิ์ตรงนี้เพราะว่าเมล็ดพืชใหม่มันออกมามันก็ไม่เหมือนกับเลมเล็ดพืชเก่าแล้วนะค่ะอะ่เพราะฉะนั้นไอที่จะไปจดลิขสิทธิ์ไอตรงเนี้ยมันก็ทําไม่ได้อันมาไปค้นคว้าเรื่องนี้เพิ่มเติมตอนที่เขาไปจดสิทธิบัตรของเมล็ดพันธุ์พืชเน วาพันพืชพันนี้ถ้าเป็นเจ้าของสิทธิบัตรใครจะมาเอาไปใช้ไม่ได้ต้องจ่ายเงินฉันเนี่ย <c oughs> จริงๆอันเนี้ยมันก็เป็นครั้งแรกที่ที่มีทํามาเพราะว่าศาลเขาเขาอนุญาตก็เป็นเรื่องสมมุติขึ้นในปัจจุบันเท่านั้นเองแต่ว่าระบบการทํางานเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการตามธรรมชาตินะที่ว่าไม่มีใครจะไป Copy อ, อะไรใครได้สมมุติว่าคุณโยมติ๋วมีลูกอย่างเงี้ยสมมตินะถามว่า <c oughs> เอางั้นเราเราจะไปจดสิทธิบัตรในลูกเราได้ไหม <c oughs> รูปเป็นประเภทไม่ต้องจดนะคะท่านก็ถึงว่าไงหรือหรืออย่างดาราสมมติดารา <c oughs> ดาราบอกว่าหน้าฉันเนี่ยเพอร์เฟมากเลยแล้วฉันจะไปสดจดสิทธิบัตรในหน้าของฉันว่าใครยังมาทำหน้าเลียนแบบฉันนะจดไม่ได้คุณยมติว <c oughs> เข้าใจไหมเช่นกรณีเดียวกันถ้าคุณจะไปสดสิทธิบัตรในซอฟแวร์ซิลิคอนหรอไอพวกทรานซิสเตอร์หรอมันก็มีอยู่ของมันอยู่แล้วคุณเป็นคนพบมันเฉยแต่นี้ประเด็นมันตรงนี้ว่า ที่เขาฟ้องร้องกันเนี่ยนะหรือว่าเขามาตามล้างตามเช็ดที่ว่าซอฟต์แวร์ใครมีเครื่องเถือนแล้วก็ต้องจ่ายเงินเนี่ยเพราะเราว่าลิขสิทธิ์ในการทําทําซ้ําลิขสิทธิ์ในการทําซ้ําคือตัวสมมติอาตมาก๊อปของสิ้นหนึ่งมาจากคุณยมติ๋วน ะ, ะสิ่งที่อาตมาก๊อปมากับของคุณยมติ๋วเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วนะคนละอ่นกันแล้วนะแต่ที่เขาจํากัดสิทธิ์เนี่ยคือจํากัดสิทธิ์ในการ Co อปปี้ครั้งแรกที่ออกมาต่างหากทีนี้เราก็ต้องดูตรงนี้ว่าถ้าสมมุติของที่พุทเจ้าบอกไว้นะว่า ถือเอาซัพอันเจ้ของไม่ได้ให้เนี่ยถือเอาทัพย์อันเจ้ของไม่ได้ให้หมายความว่าไงหมายความว่ามีเจ้าของเขาหวงอยู่อย่างพันั้นซอฟต์แวร์ชิ้นนี้มีเจ้าของหวงอยู่ไหมถ้ามีเจ้าของหวงอยู่คุณอย่าไปต้องเขากันอ่ถ้าไม่มีเจ้าของหวงอยู่คุณทําไงก็คัดลได้ไม่มีปัญหานะในกรณีที่ว่าอ่าเราก็คัดมาแล้วถ้าเจ้าของก็อนุญาตนะเราก็คัดลมาใช้ต่อได้ที่เราใช้ต่อเนี่ยก็ไม่เหมือนกับอันเก่าของเขาเพราะว่าอันเก่าของเขาไม่ได้เสียหายไปไหน อทีนี้ประเด็นคือว่าสมมุติว่าถ้าเราเจ้าขอ ง, องไม่ได้อนุญาตละจะมาอย่างพวกซอฟต์แวร์เถื่อนๆตั้งหลายที่ขายอยู่ตามปันทิปทีนี้ว่าคุณไปซื้อเนี่ยอคุณไปซื้อจากเจาก้จาของร้านใช่ไหมเจ้าของร้านเขาอนุญาตให้คุณเอามาแต่คุณไปขโมยซีดีนี้มาเราตรงนี้เราก็ตีความได้ว่าอาจจะไม่ผิดตรงที่ว่าคุณไปซื้อซีดีนี้มาที่ร้านขายเขาขายมาเราไม่ได้ขโมยมาแต่นี้ก็ต้องไปสาวกันต่อไปว่าไอ้คนที่คัปปี้มาเนี่ย <c oughs> เขาอนุญาตไหม อันนี้เนี่ยดิฉันเข้าใจว่ากำลังวิเคราะห์ตามวิธีตามธรรมอืมใช่นะคะที่ว่าสมมุติฐานของพระพุทธองค์คือเรื่องธรรมทั้งหลายเนี่ยมันมีอยู่แล้วอืมใช่แล้วก็อยู่ที่ว่าใครเป็นผู้ค้นพบธรรมนั้นนั่นเองใช่แล้วถ้าพูดแบบภาษาพระพุทธองค์เนี่ยการค้นพบสิ่งประดิษฐ์ต่างๆก็ถือว่าเป็นธรรมเหมือนกันใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องแต่ว่าในทางโลกนะคะท่านคะทีนี้<ะ>อย่างจะแยกไปชัด ใช่นักกฎหมายนี่เราไปเถียงสู้เขาไม่ได้หรอกใช่ค่ะเพราะว่าโลกนะคะอันนี้ท่านผู้ฝั่งฝั่งแล้วต้องแยกแยะให้ดีใช่เดี๋ยวจะมาบอกว่าพระอาจารย์ภับูรณ์ไงวัดป่าดอนให้โซลคุณฉันสนีเนี่ยบอกว่าไม่ผิดเอาไปต่อสู้ในโกงพักในศาลนี้ดิฉันรับชอบนะคะคือที่ที่มันจะไม่ถูกเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าที่เราจะทําไม่ถูกเนี่ยนะคือมันมีอยู่กรณีหนึ่งก็คือว่าเจ้าของเขาหวงอยู่ไหม <Okay. S 2> นะถ้าเจ้าของเขาห่วงอยู่คุณอย่าไปแตะต้องนี่ยจะเป็นเข้าข่ายกรณีถือเอาทรัพย์อันเ้าของไม่ได้ให้มันมีซอฟต์แวร์ต้องเยอะแยะที่เจ้าของก็ไม่ได้ห่วงนะเช่น OpenSource Cloud Computing อย่างนี้มีต้องเยอะแยะนะอย่างสมมุติใครใช้ m icrosoft word อย่างเงี้ยมันก็มีทางเลือกอื่นนอกจาก microsoft word ที่ไม่ต้องเสียตังค์ต้องเยอะแยะนะใช้ที่อยู่ออนไลน์ก็ได้นะใช้ที่เขาเป็น OpenSource เขาเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีเจ้าของเขาไม่ห่วงอย่างนี้ก็มีเยอะแยะอย่างเงี้ยก็จะเป็นทาง <Okay. S 2> ออกทางหนึ่งได้เหมือนกัน อันนี้ก็ต้องประณีตหน่อยละเอียดละออนหน่อยอื uh huh. เพราะว่าตามทางโลกเนะคะีค่ะเดี๋ยวเนี้เนี่ยคนบางคนเนี่ยร่ำรวยจากการที่จดลิขสิทธิ์โน่นนี่นี่นั่นเอาไว้แล uh ้ว huh. ก็บางอย่างเนี่ยไม่ควรจดเลยมันเป็นของที่ควรใช้ร่วมกันก็เป็นสิ่งที่เขาบอกว่ามันต้องศึกษาในยุคนี้โลกกําลังจะมาอยู่ในยุคที่อ่าจดทะเบียนหมดเนี่ยคะ่ะ uh huh. เพราะเก็บกินจากเรื่องของใครที่มา อใช้ในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองคิดขึ้นมาใหม่อันนี้มันก็แสดงให้เห็นถึงความขอโทษนะความตระนีของผู้ที่คิดขึ้นเจอนะสมมต<ช>ิถึงผู้ชาของเราอย่างเงี้ยตะนีนิดนึงเงี้ยนะก็จะคิดว่าเอองั้นถ้าใครบรรลุปเป็นบัลลาดนี่ต้องจ่ายค่าตรงนะเท่านี้<ช>บาทเท่านี้ก็หาปะนะอย่างเงี้ยแต่ผู้เ ช, ช่าไม่มีความตะนีก็เลยไม่ได้พูดตรง น, นี้เพราะฉะั้นถ้าเท่านี้ว่าคุณต้องหาเลี้ยงชีพอันนี้ก็ก็คุณต้องหาเลี้ยงชีพอันนี้ก็เป็นความตระนีของคนที่คุณจะต้องมีก็ก็โอเค อือคะเพราะระฉะนั้นเนี่ยดิฉันขออนุญาตที่จะสรุปเพื่อที่จะให้อย่างน้อยได้ประโยชน์ในเรื่องทำชัดๆว่าถ้าเช่นนั้นเรากำลังคุยกันในประเด็นว่าอย่างไรจริงจะถือว่าเป็นการทำผิดสิลข้อ2ถูกไหมคะใช่ใช่ักทรัพย์เ้าเนี่ยเพียงใดคะคำจำกัดความอาจจะไม่ต้องเปรียบเทียบกับเรื่องซอฟต์แวร์นี้ก็ได้ค่ะอ๋อก็คือว่ามีทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้คือถ้าใครเขาหวงทรัพย์สิ่งนี้อยู่คุณไปเอามาคุณเข้าขายแล้วมีความเสี่ยงอาจจะดางอาจจะพราะ อ, อาจจะทะลกุก็ต้องมาพิจารณากันต่อนะค่ ะ, ะทีนี้ถ้าผมว่าเราไปถือเอาทรัพย์อันเจ้าของมีเจ้าของหวงอยู่หรือไหม นะถ้าเป็นลักษณะ Open นซอร์สไม่มีเจ้าของห่วงอยู่ไม่เป็นไรถ้าเป็นลักษณะบริษัทที่เขามีรูปแบบการเก็บเงินเอามีเจ้าของหวงอยู่ก็ต้องมาวิเคราะห์กันต่อไปว่าคุณใช้เท่าไหร่คุณเอามายังไงคุณไปซื้อมาจากไหน เ, เป็นลักษณะไรเซนแบบไหนหรือเขาเปิดเผยให้คุณอะไรอย่างนี้หรือเปล่าต้องมาวิเคราะห์กันต่อไปค่ะสมมุติในกรณีทั่วๆไปที่มีโอกาสพบเจอนะคะอย่างเช่นเรื่องปากกาเนี่ยฉนันว่าเป็นของใช้ที่มีปัญหามากเลย ทือใช้แล้วมันชอบติดมือคนใช้อ oh. แล้วก็บางคนก็อาจะคิดว่าปากกามันไม่แพงอ mm hmm. นะคะแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาห่วงหรือไม่ห่วงแต่บางทีมไม่ใช่ของของเราอหรืิฉันเองก็ติดมือหลายครั้งกันนะคะออืเ mm hmm. นี่ยเราก็สงสยัยหรือเหมือนกับขึ้นเครื่องบินเนยคะ่ะอ่านหนังสือพิมพ์แล้วเห็นว่ามันเย็นละอื mm hmm. อ่านไม่เสร็จเลยถือลงไปอ่านที่บ้านดีกว่า <Ha. S 2> เราต้องบอกอ่าทางพนัก ง, งานเดอรบินไหมเครื่องบินไหมอ ย, อย่างนี้เป็นต้น mm hmm. ค่ะ หรืออย่งไปตามสถานที่ต่างๆใส่รองเท้าผิดมาอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คืออยู่ที่เจตนานะเพราะว่าพระเจ้าพูดพระเจ้เจนว่าเจตนานะถ้าบุคคลนะเว้นขาดมีเจตนาเว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์มัจฉาของไม่ได้ให้นะเราตั้งใจไว้นะที่จะไม่เอาของที่คนอื่นห่วงนะเราตั้งใจไว้ในการที่จะไม่เอาของที่คนอื่นห่วงเพราะฉะนั้นถ้าเผื่เราเอาของคนอื่นเขาหัวแม่นะังสือพิมพ์เขาห่วงไหม ก็ดูดูแล้วเราวิเคราะห์จากสถานการณ์เขาไม่น่าจะห่วงนะเราพราะมันก็โยนทิ้งมาอยู่ดีหรือว่าจากปากกาเอาเราดูซิว่าเราเรามีเจตนาในการที่จะเอาเขาไปเขาอาจจะห่วงปากกานี้อยู่แต่แต่ว่าเราไม่ได้มีเจตนาการที่จะจะเอามาเมื่อเราทราบแล้วเราทราบแล้วใช่ไหมเราก็ทําเป็นโอโหสิกรรมคะซก็คือว่าทําให้ทําคืนซะทาคืนตามธรรมก็เลยเอาไปคืนหรือแจ้งเจ้าของอย่างนี้เป็นต้นถ้าเอาไปคืนไม่ได้ก็แจ้งให้เขาทราบแจ้งให้เขาทราบไม่ได้ มันก็ยังน้อยยังระลึกทางใจว่า เ, ออเราเรานึกถึงเจ้าของนะอย่างนั้นนิดน<ะ>ึกถึงทางใจก็พอท่านคะนี่เท่ากับว่าเรากำลังพูดในลักษณะของคนที่เคร่งครัดกับการที่พายายามจะรักษาศีลข้อสองมันมีประโยชน์หรือว่ามีโทษอย่างไรกับการที่เรารักษาได้และรักษาไม่ได้ออตรงนี้จะทําให้เรามีสติไงสติระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดแล้แม่นนานได้นะเออเราออกคนมาเราไม่ได้นึกถึงเลยนะโอ้เขาจะเป็นยังไงมีเจ้าของหง่งหรือเปล่าอย่างเงี้ย มีสติแล้วมีประโยชน์ยังไงคะท่านคะมีสตินี่จะเป็นที่ล่นไปสู่วิมุตติเราฝึกสติบ่อยหลุดพ้นได้เลยใช่ถูกต้องตั้งใจไม่หยิบหนังสือพิมพ์ใครปากกาใครเนี่ยนะคะใช่ถูกต้องนะคะอ่าวันนี้คงได้เท่านี้จริงๆท่านข้าต้องลารายการแล้วล่ะออืก็ได้ประโยชน์ไปเยอะทีเดียวนะคะสําหรับการวิเคราะห์ในคนที่ตั้งใจว่าโอ้ชีวิตนี้ไม่เบื่อเหลือเกินและอยากจะอ่าพัฒนาไปให้หลุดพ้นหรืออ่า ตั้งใจถือศีลก็ได้พบว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรคุณค่าเป็นอย่างไรก็ขอให้อ่าใช้ประโยชน์กันนะคะนี่คือเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุท้ทวัจนะกับพระอาจารย์ภัยบุญอี่ปุณโนจากวัดป่าดอนหายโศ ก, กจังหวัดอดอนทานีค่ะวันนี้เราก็กราบสมรสการขอบพระคุณท่านตรงนี้เลยนะคะนนส่วนรายการของเรา 02-269- สองส้มีหนังสือแจกให้กันวัน ล, ละ3ามเล่มโดยพระอาจารย์ ค, คปปริสปนาป่าพงค่ะ วันนี้เราลากันไปแต่เพียเท่านี้นะคะพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะพุทธวสวัสดีค่ะ